เป็นมีสติปัญญาดีเป็นผิวก็จริงว่าหววหวลินเขาเป็นเชือกสายอยู่กับเจยย่อยเป็นเชือกสายเชือกแถวเดียวกันสกุลเดียวกันแม้เราจับเตี๋ยวแหววหัวลินได้พร้อมกับพันร้อยมึงเนี่ยคือแหวหัวินกับพานคนเป็นร้อยคนถ้าเราจับแหวเวลินกับพันร้อยมึงได้เนี่ยเจยยอยก็จะสิ่งความคิด ท้อใจลงเห็นการคนดอนจะสําเร็จเด้งง่ายดังจีกล่าวนั้นขนเดินดังกล่าวเลว่าข น, น, น, นเดินเนี่ยเป็นผู้มีสติปัญญาแต่ว่านิช่ว่าขนเดินเนี่ยจะเกื้อปัญญาของตนในเลิกเลยมนุษย์คนเดียวใครแสดงความคิดเห็นการใดอย่างไรไม่ฟังด้วยเลยกร น, นะนั้นนิช่ยดังกล่าวแล้วทห้แผนการของมาเจิ๊ก สามารถเก็บตอร์ซมาที่ได้สำเรยวันนี้เตงจีว่าอย่างนี้ให้เหตุผลขึ้นอย่างนี้ถ้าจับเก จ, จับแพรวรลินกับานร้รอยยืนได้เนี่ยเตยอยเนี่ยมันจะทอใจเพียเดียวละและการมันจะสำเร็จผได้ไดฟัเตงีว่าดังนี้ก็เห็นด้ว ย, ก, ก, ยก็คิดก้นอุบายกระิสั่งสารคนสนิทสองคนให้รอมเป็นฐานแรหวรลิน วิธีการมีหกหลงชำนาญนะปลอมเป็นทหารแห่หัวหลินถือหน่งถือไปถึงมาจุ่จะมือเพียนซีกับซีเหลียงเจ้ามืนหันถฟังให้ดีนะปลองเป็นทหารของแห่หัวหลินถือหนึ่งถือไปถึงมือเทียนซีมือหันถงเป็นใจความวาแหเหัวหลินไม่ยกฐานมาช่วยนี่ผมไปสร้างฐานของผมถึงฉั้องผมเป็นแบบนี้ ทั้งสอมนันราบแผนการไม่ดีแล้วก็ลาขนบิไปและขนบิก็เริ่มสั่งการตอไปโดยเรียกวีเอียนเอือหินเดยวกาเข้ามากระทิบสั่งเป็นความลัให้ยกฐานตามไปขนบิ้ง่ขั้นหลังนี้ให้ฐานขนฟืนและเชือกเลินไปกองไว้ริมกำแพงดูเป็นอันมากแล้วก็เอาเลิตุดขึ้น มือนั่นก็หัวราะหัวเราะว่าคนดึงนี่เจ้าคนอุบายนะคนดึงซึ่งความคิดแล้วดูเถอะเอาเพลงมาย่างกำแพงเมืองเรา ว่ายางไรก็ช่างกันนะชาวเมืองหาว่าเอ า, เอาเอาพลูมาย่างกาแพงเมืองทีฝ่ายสูเหรียงเจ้าเมืองหันเติ้ลปฏิคนณบุ่งเดิ น, ดนายสถานก็ผลิตไปบอกเมืองความเนี่ยในขณะนี้สู้เหรียนเจ้าเมืองหันเติ้ลนี่ยไปรีเมือความบอกคนได้ดยกองทัพมาล้อมแค่ริมไม่ที่ดมืองลำอัน ก็ปรึกษาฐานตัวว่าแหววหัวลิ้นเนี่ยเชื่อเพื่อนกับเจ้าเกยย่อยเราจะนิ่อยู่ชนีลิชอบแต่เราก็เป็นข้าแผ่นดินจำจะต้องยกฐานไปช่วยป้องกันมือลํำอันรับตัวแหววหัวลิ้นเช่ขึ้นเปมหลวงกินจะทนความผิดนี่ซีเรียสก็ลงคิดอย่ตงนี้ก็พอดีทหารเขาไปบอกทีเดียว บันีนื้อเหนียญท่านแม่พับให้คนถือหนังสือมาถึงท่านฝเหรียกำมันคิดอีพอดีนี่ยั้มีคนถือหนัสือมามีแหละคนของขุนเบงอะฝอเรียเนี่ยใหม่รูนี้ว่าเป็นคนอุปบายเขายังไงปรเดี๋ยวไอะจะได้ข่าวพระพดทาถาตัวเข้ามาทหารคนนั้นคือคนของขุนเบงอะก็หนังสือเสนอให้แล้วก็บอกว่า บัด น, นี้ขงเวงยกกองทัพมาล้อมเมืองลำอันด้วยเป็นสา ม, มาทแฮร์ริมุเุเอกำลังจะขี้รบได้ติดเพลนขึ้นในเมืองเป็นสําคัญหวังจะทํารู้เป็นหลายวันมาแล้วแต่ก็เหมือนท่านยกไปช่วยได้กระเจียบฟันขวาจากที่ร้องบอกมารีบมาหาท่านพร้อมกันนั้นก็ไปหาเจ้าเมืองเพียนซีนด้วยให้ทั้งสองท่านเนี่ยยกอันไปช่วยกันมาทัพขงเวงแฮร์ริมุจะได้ตีบ้านออกมา ฟังดูดังนี้ก็ไม่เนื่กจะมีอะไรผิดพลาดเลยไม่เลือกจะเป็นคลมวอะไรเลยสุเหรียดฟังเนี่ยนี่เราเร่งแรงใจเลยสักต่นิดเดียวก็สาคัญมากจริงขยทานั้นเอาหนังสือรีบหาจะมีน่เพียงซีก็พอดีฐานผลด้วยอีกกลมึงไปถึงนุมเพียงีเนี่ยก็เข้าไปอาจารย์กลมาถึงก็หาสุเหรียบอกว่านีมีอุบายเขานะ ส่งฐานของเป็นอมุสุเนี่ยไปเมืองเพียนซีเดียวแต่พอดีขาะนั้นทหารของนีอีกคนนึ่งมาถึงตีตามอุบายเขาตามอุบายของเดทหารคนนี้ก็ขมาสีเหลียนนี่แหละบอกว่าบัตรนี้มากินเจ้าเมืองเพียนซีนะยกไปช่วยเมืองลำอันแล้วให้ทำริดยกไปเยอะสีเหลียนไดควังดันนั้นก็เตนรเยสีันให้รักาเมือจากแกงขานที่มีผิมือพังสิ้นเลย วิ่งออกจากเมงไปจไปช่วยแฮร์เวลินแล้วก็ได้เเห็นแสงเพลินะ่ะว่างจ้าจับพองฟ้าอยู่ข้างเมืองลำอานนู่นะอ่ะก็กดยิ้มสิตามตีส า, ารคนแรกบอกไว้เนี่ยอ่าว่าแฮร์เวลินจุดเพลิเมืองเพื่อการเห็นเป็นสำคัญเพื่อจะได้ทํนไปช่วยเนี่ยแต่ก็ไม่ไปช่วยสักทีนี่บัตรนี้เคลื่อนทับไปไเนี่ยเห็นแสงเพลิงนั้นก เดิ น, านทางไปทีเดียวยังระยะทางประมาณส0 0รอยเส้นจะถึงเงลำอันนี่แผนการพกหลวมนี่ซับซ้อนโดยประมาณอีก3า0อยเส้นจะถึงเงลำอันแล้วอวนหินขึ้นคนได้บรบสากัดอยู่กวบวกมาขาับหัานออกรบเป็นสามารถซุยเหนียงถูกตีกระนํำเขากระตกใจกบมาพล่าจกันนี้ ก็ผลิตีวเปลหารตีขนาดรันเข้ามาข้าันทหารซีเหลียนแต ก, กกระจายกระจายร่มปาจะ น, นันมะซีเหลียนกระฐานคนสนิทประมาณร้อยเศษก็พาการัดหนีไปเมืองตามทาง น, น้อยนี่เลก็าทาลายกองทัพของซีเหลียนอ่าแหนึงันนี่ซะก่อนทนี่ฝ่ายวีเ e อียนวเอียน e e ซึ่งคเบ่เกรดปรองไปนั่นนะ่ะยทหารเข้าไป ออกจากเมืองนำทหารมีปืนมีกระบังออกหมดเรือทหารเรือสี่พันรักษาอุยเอียนเนี่ยย้อนรอยเข้าไปเอาเมืองได้สําเร็จตามแผนที่หกหลวงวางมาอุยเอียนเขายู่ในเมืองแล้วขันหินที่เหอียนแตกมาถึงหน้าเมืองอุยเอียนก็ให้ทหารเอา 9, เกาพันระดมยิงแล้วก็ร้องตะโกนไปว่าเราชื่ออุยเอียนเราเข้าเมืองท่านได้แล้ว ให้เร่งเขามาอ้อนน้อมทำนับเรา่าไว้ชีวิตให้ซุยเหยนี่ก็ตกใจสิซุยเหลียนนีจะไม่ตกใจเอานามภาพไปก็ถูกปปตปแตกนฤดเริ ม, มาจะกลับมาเข้าเมืองเอาเขายึดเมืองไปแ่แล้วอย่างนี้มายี่สุดนี้จะทำยังไงก็รวกมามนีจะไปเมืองเพียนซุยก็ไปพบขงเบ่งขึ้นเกวนน้อยหรือพัดนนก ยกทาหารมาสกัดทางซีเหลียงก็ตกใจควบม้าหนีอวนหินเปลียเป่ากอมน้ำออกร้อมรบเป็นสามารถซีเหลียงในเหงือกําลังซึ่งความคิดก็ควบมากลับมาทิ้อาวุธเสียเข้าไปคำนับของเบ้งทีเหงือหนี้ไม่พ้นแม่แล้วขงเบ้งก็พาตัวซีเหลียงมาค่ายแล้วก็ถามทีเดียวนะ่ะ มีและโขลงก็ทําอย่างนี้ถามซีเหลืองที่เดีวว่าเมืองลำอันเนี่ยตั้งแต่แฮวิลินยังไม่ยกมาเนี่ยผู้ใดเป็นเจ้าเมืองอยู่ก่อนซีเหลืยงก็เปาะบเจ้าเมืองคนก่อนนะชื่อเอียวเหลิงเป็นหลานของเอียวอูแล้วกับขา้าวเจ้าเนี่ย กิบบท่านดังนั้นเราเททัาน้าไปพูดจาคิดอ่านกับเอวยงจับตัวแฮว ล, ลิมเนส่งให้เราเราจะปูมะเม็ดตั้งให้เป็นใหญ่ในดินลำอัางซุยเหลีองนี้ก็รับคำาุยเหลีงรับคำรับแผนการระผมเ่งก็ถอยกองทัพออกไปตั้งตั้งค่ายไกลาจากเมืองประมาณ200ร้เซน แล้วก็ส่งฟรีเหลียงเข้าไปดาเนินการฟรีเหลียงก็ขมับราขึ้นมาเข้าไปร้องเรียนให้เปิดประตูรับมาเปิดประตูก็ความเข้าไแก้เไปเตี้ยวเหลิงเตียวเหลิงออกมาดูเห็งดังนั้นเอาดิเพื่อนกันก็มีความดีๆใครฐานเปิดประตูรับฟรีเหลียงเข้ามาแล้วก็ขมับกันล่ะฟรีเหลียงก็เหาเนื้อความที่คนเล่งใช้มาให้เตี้ยวเหลงฟันทุกประการแหละ วเวลาฟังหมดเนี่ยให้เขามั่คิดการกันจับดัแวแฮร์วลิงส่งไปเอลลิงก็จิงว่าพระเจ้ายจยอยอ่ะมีคุณแกเราเปน็นอันมากถึงเราจะคิดขบวนทรยศแกพระเจ้ายจยอยไปเข้า เ, เ, เ, เ้วยขาดหรือมืนเฟชชวนไม่ชอม็อกดูเป็นแค่ดีแล้วเราจะคิดซ้อนกลนของเด็นเอาชายชนะให้จุงได้ เอวหลิงเปล่าดังนี้ลเลยหลิงก็พาซีเหลียนเนี่ยเข้าไปหาแพรหัวหลิงเ อ, อ, น อ, นองหลิงจะซนโกรนขงดึ้งอย่างไรเมื่อเอาตัวพึ่งกันคือซีเหลียงผู้เสียบ้านเสียเมือมาแล้วเข้าไปหาแพรหัวหิงเนี่ยเมื่อเข้าไป แก่เมื่อความพระพุทธเจ้าฟังทุกประการน่ะก็เล่าความให้ฟังน่ะห่างซ่วยเหลียงก็บอกอย่างนี้ตนเองถูกหลอกจนเสียเือนแล้วก็ถูกจับตัวและผมได้ใช้เขามาเรียบกลมเอี้ยวเหลียงเพื่อจับท่านแม่พักไปให้เขาเนี่ยเขาควล่าความพระพุทธเจ้าฟังเนี่ยจะคิดกลบาประการได้อย่างไรแห่หัวหลิงก็จริงว่าถ้าประนั้นเราจะทําประการใดอ่ะ จะซ้อนโขนของเบ่นจับตัวของเป่นเลยได้เลี้ยวเหลีงก็จริงว่าขาะเจ้าจะให้ทาหารเนี่ยเปิดประตูรับมนเ่งเนี่ยจะสมคัญว่าสมในความคิดที่เขาใช้ซื้เหลียงมาแล้วก็จะยกทัพเข้ามาแล้วเราก็ยกฐานออกล้อมรบจับตัวของเบ่ไงตงได้แหววเหรียเบ็ดฟันแผนนี้เห็นชอบเรือย เลี้ยงกอกธรรมบราออกมาแล้วกอกจากเมืองลำอังไปหาคนหนึ่งเมื่อไปถึงขอเม่งก็เข้าไปไในค่ายบอกแต่คนเม่งทีเดียวว่าข้บเคี้ยวเด็กเข้าไปในเมืองลำอังแล้วเด็พบกับเอียวหลิงได้คิดอ่านการกับเอียวหลิงตามที่ท่านวางเมื่อหลิงก็รับคําว่าจะจับตัวอแหวิลิมฝงมาให้แต่ว่ามีทหารนั้น้อยตัวนักอือจะทําการไม่สําเร็จ ที่น้นเขาจะออกมาบอกว่าข้ามวันนี้ลี่หลิจะเปิดประตูเมืองออกรับท่านให้ท่านยกฐานเข้าไปเถอะจะได้ช่วยกันจับตัวแฮร์วอลินไม่ถึงบ้นนี่ซีเหลียงมากล่าววงของเบงอย่างนี้เราต้องกล่าวกันแต่แรกตแต่ปอนคนเบงแต่ ต, ตัวซีเหลียงแล้วก็ใชก้กขาไปเกลี้ย ก, ยกยความดื้อๆอย่างนี้นี่เป็นการใช้หรือคนงงงวยอย่างนั้นหรือ โขหลงท่านึ้งนะเรืองแบบน ý, ี้ซุยเหลียงออกมาพูดจายอย่างนี้บอกเปล่าอย่างนี้เขาจะเ ป, ไปิดประตูเดินละักไปขอไว้จับตัวแถวเลิ้มเอาผนเบ่งเบ่งฟังเนี่ยก็แกลพูดว่าคือทาเป็นเชื่อทาเป็นว่าสมเด็จเคราะ์ซยเหียงเนี่ยก็คิดว่าการทั้งนี้นะเห็นจะ ส, สมเด็จเคราะ์ท่านมี่ขนเบ่งหวาดังนี้แ ล, คคล้วก็เรียกวนหยิ่นเตียวเปล่ามา ระสิบั่งเป็นความรับหนิดังสำคัญตรงนี้เอารบฟั่งการไปแล้จะสังว่กระการใดอย่างไรก็ตามแบบมีใครรู้ล่ะนอกจากผู้รับคําสั่งเท่านั้นแหละคือกวนหินเปียวเป่าและขุนเปงก็จัดแจงทางหารที่มาเข้าเกลียก้ยกอมเด็กคือทหารเชลยเนี่ยประมาณร้อยเศษแล้วก็เอาทหารผของตนเนี่ยเปิมเข้าไปบ้างมอะให้กวนหินเปียวเป่าไป เวลาคำ่ำขงเบงก็เรียกคุเหลียมาแล้วก็สั่งว่าท่านจะพาถานเหล่านี้เข้าไปก่อน้เอเี่อหลียคลิกอ่านทําการซุ่มฐานเหล่านี้ไว้เวลาสองอยามเราจะยกตามเข้าไปและทําจก็เปิดเพลินขึ้นเป็นสำำําคัญและเปิดประตูเมืองรับเราเถอะคุยเหลยงเล็กฟังดังนั้นเอ๋ของเบงใช้คนกลับเข้าไปอย่างนี้ ทั้งจะไม่รับพวกกลัวผไม่จะจับพิรุษได้ก็จึงคิดว่าเอาน่ายเขาไปถึงกำหนดเวลาแล้วเนี่ยก็จะแยกยกยันอะไรเราก็จะข่ายถามเรานีซะก่อนที่หมดก็จะสิ้นผู้ขัดขวางที่คนเบ่งสงครามนี้เข้าไปพร้อมกับเราด้วยเนี่ยเราก็จะทําการแยกเกาะข้ามให้หมดซะก่อนแล้วจึงจะเปิดประตูรับของเบ่ง ก็จะจับตัวขเนเบ่งได้เป็นแม่นี่ฟูเอียก็คิดอย่างนี้มั่นใจว่าสมลวงครบหลวงได้สำเร็จละฟูเียงก็คำนัลาขเนเ่พาฐานเข้าไปในเมืองน่ะผมเบ่งนะให้วนหินเปียกเปล่าแต่งตัวปลอมเป็นฐานเงินหันถงของฟีเลียงเนี่ยแล้วก็พากันเข้าไปข้างฝ่ายเยอเลงแถเมือนเก่าแห่งมืองล้ำอุ่นเน่ บนเชิงเทินเห็นซุยเหลงแต่ไปไปคุณบิวออกตอออกจากเมืงไปมาดิกลับเามาใิเอ็มมีทหารเข้ามาด้วยเนี่ยเอี่เหลงก็สงสายทีเดียวก็ฟังฐานให้ชัดะสะานขั้นคูเรือนเพี้แล้วก็ร้องถามว่าทหารตัวนั้นมาแต่ไหนสุยเหลงก็ร้องตอบว่าเราพาฐานเมืองหันตมมาช่วยท่าน แล้วก้อนหนังสือูกเก่าพันยิงเข้าไปเยือหลิงแต่หนังสือนั้นก็มาอ่านดูเป็นใจความว่าผมเบ่ให้ทหารเติมกันมากับทหารของเราเพื่อเข้ามาช่วยกันทําการและผมเบ่งจะยกตามมาภายหลังท่านจะได้วิตโตกแท่งท้ายความนี้กเร็จข้าพเจ้าเข้าไปถึงแล้วจะแกล้งความคิดเพศฝัน ยิงได้อ่านจดหมายของซุีเหลิงอย่างนี้ก็รู้สึกเนี่ยก็ไปแก่หัวหิงแครหัวหลิงก็ดีายคิดบอกผมบิ่งแพ้ใจความคิดแม่แล้วก็แต่งถานคนสนิกร้อยสศษพร้อมอยูคือสัตวครบคบทีื่อซุ่มไว้แล้วก็สั่งเอี่ยวเหรงดี ว, ว่าท่านจงเปิดประตูรับซุีเหลิงเขามาเถิดแล้วเราก็จับผานเรามันฆ่าเสรหมด แล้วกินเปิดประตูรับผมไม่เข้ามาก็คนจะจับได้เป็นมั่นคนเอียวหลิงก็รับคําเปิดประตูเมืองและก็ร้องว่าถ้าเป็นฐานเงินหันโงก็ยกเข้ามาเถอะกวนหินเม่แบบกว่ามันก็ท่วมมานำหน้าผู้เลียงก็ไปก่อนเลยทีเดียวเห็นเอียวเหลิงยมาคอยอยู่ริมประตูเมืองแค่นั้น อวนหุนควบมาแต่รึแต่ก็เอาดาบฟันเรอเหลิงกจากหลังมาถึงแก่ความตายไปเลยทีเดียวชูเลียนเหนนี่ก็ตกใจสิเอกหกหลงซ้อนคนมากขึ้นกว่าเราเพลินแล้วชูเลียก็ควบมาหนีกลับออกมาถึงสะพานาข้ามคูเตีเปลาอีกคนนึงที่ผมไม่สั่งมาเนี่ยมาทาการรับเนี่ยก็สุ่มหลานไว้เนี่ยเดียวเปลว น, น เพียงขเห็มาตับมาเตะเปล่ารา้องตะวัดว่าไอ้โจรมึงคิดโง่รูมายจะลวหมาอุป ร, ราช แ, แล้วมึงจะหนีไปไหนหรอเดีย๋ยวเปล่าก็เอาทวนแทงถูกขีเห็นโอบมาตายไปอีกคนหนึ่งวันถึงเข้าเมืองได้ไร้ข้าฟันฐานทำเืองแปดเป็นจุรมุนวุ่นวายแล้วก็เพลินจดขึ้นเป็นสัญญาณสาคัญง เป็นมันวัดจากแผนซ้อนแผนที่อนระเวนวุ่นวายมนที่สุดกวนหญิ้งเตียวเปาเข้าเมืองได้แล้วไรล้ข่าวันฐานชาวเมืองแตกตืวว่นวุ่นวายแล้วก็เอาเพลินจุดขึ้นเป็นสําคัญผมงเบเห็นเจ่นันก็รู้ละ ว, ว่ากุนหิ้งเตียวเปาเข้าเมืองแล้วก็ยกทหารเข้าเมืองทั้งฝ่ด้านแห่หัวหิ้มตกใจสิท่านแม่ครับ คู่มีสกุลตกใจไม่รู้จะทำไงเพนขึ้นหลังม้าได้ก็ขวกตะลืดออกจับมือไปทางตัวตู้ขั้นติดตายก็ไปพบองเป๋งคุณหมาจะกับทางอยู่องเป๋งก็ขวบ ม, ม้าเข้ามาจับตัวแฮวิ่ินได้แล้วก็ไล่คาบวานฐานแฮวิ่ินล้มตาเป็นอันมากทีเดียวควายของเป๋งก็เข้าเมืองได้เนี่ย เปา่าร้องับอชาวเมืองทังหลายทังปวงมยแตกตื่วุ่วายไม่ต้องตกตใจประกาศไดอย่างไรเราจะยังให้เป็นฝูกซไปกบหมายความวาประกาศรัฐอนไม่ต้องตกตกตกใจวุ่นวาประกานไดเพราะคุกหลงไม่ได้มีแผนการที่จะทำวายร้านรัฐบอรแต่อย่างไดหรอ แต่ขณะที่คูโรกันข่าวันกันมันก็ต้องเอาชนะกันให้ได้มันก็ต้องข่าวันกันไปแต่บัด น, นี้เขาเบี่งได้แล้วออกําสัง่งระนับแต่สงหยุ่ดไว้เวลาเชา้าองเต็งพูดจับื่อแฮร์ริ่งได้เนี่ยก็เอาตัวแฮร์ริงมัดมาให้คดเ่งคงเบ่งนี่ไปเกิดทำเหมือนดังที่เคยทํากับเบ่งเฮหรือใครๆมาก่อนเดือกคงเบ่ง คือเม่ได้ลงไปแก้มาถ่ายหรอกนี่กลเป็นเช่นนั้นคนเ็นก็ฟังหเาตัวไงโอริเนไปขังกวในเก็ียนเตกีเกีเตงกีก็ถามคนเบงว่าที่เหนนี่ที่ควรหมายเป็นความรับแต่ลงมหาอุปราชนะเหตุได้มหาอุปราชรู้่าเบียสุิถามยางนี้ คือว่าสงสัยว่าเกินเบงอุบายยอกยออ้อนวายกันอยู่เนี่ยคงเบงรู้ได้อย่างไรผมเบงก็ตอบว่าเราแจ้งอยู่ว่าสุยเลียนหาเป็นใจทำบัตรการด้วยเราสุจริตไม่ก็จับตัวเขาได้มาทิงเมือนเขาได้ไว้และเขาไม่ได้เคยมีกริดกระัยติดยาสามิาพัดต่อเสชฉนไปอย่างใดเลยจะให้เขาทําการได้เราโดยสุดจริตได้อย่างไร เรียนแคนี้เราก็เข้าใจได้ท่องแท้ว่าเขาไม่เป็นใจกระทําการด้วยเรานี่แหละเราจรึงแกลงใช้เขากไปในเมืองนะก็ต้องการที่จะให้แคววหัวหลิ้มซ้อนกลอนเรากลับออกมาแล้วเราก็ซ้อนกลนกลับเข้าไปเอาชายกระแมาต่อภายหวางดังที่เห็นกันนี้ผมเปงกอผู้ใจที่แจในฟังดังนี้ก็คือว่ามันจะเชื่อใครไม่ง่าย มันก็มีเหตุมีผลให้พอเชื่อได้ว่าเขาจะยอมทำการนี้ให้หรือไม่ก็รู้อยู่ว่ามันเชื่อไม่ได้ก็ เ, เล็กแป้งใช้เข้าไปอย่างนั้นเองนหะหวังผมอีกครัง้งอีกเชิงหนึ่งนายทัไมายกองทั้งตัวเด็กฟันหกหวอธิบายดังนั้นนะ่ะต่างก็คำนับกราบลงแล้วก็สั่งหัวไปต า, ตามกันเลยแล้วก็พูดแบบมาหาอุปราชน้มีสติปัญญาหาที่เสมอนิได้ ผมเบ่ง น, นะ้ก็กล่าเป็นการเป็นานามคือว่าบัดนี้การในมืองลาอัองเราก็กระทําสําเร็จแหวแหวนหัวหลิมก็จับตัวได้แหวแต่ทหารที่อราใช้ถืนถือไปเมืองเที ย, ยนซุยหิสิยังไม่กลับมาเน่ยการนี้สำเร็จแหวนแต่ทหารที่ไปเมืองเทียนซุยยังไม่กลับที่จะเป็นประการใดก็มิแจ้งจําเราจะต้องยกทัพไปตีเมืองเทียนซุยให้ได้ ขุนเบงกล่าวแบบนี้แล้วก็ให้เหล่าตายดูรักษาเมืองลำอ๋องให้มีเอียนคุ้มหนเป็นกองหน้ยกร่งไปกอนและตัวเนเก็ยกาไปภายหลังันน้ที่เนเล้อมเมืองลำองอ ล, ล้อมอยู่นะ มาจิ้มเจ้าเมืองเตียนซุยเนี่ยรู้และก็เรกคุณนางต่างหวายก็บกมาปรึกษากันนะก็เหมือนดังที่ซุยเหลียงวิปปกเหมือนกันคือว่าคือวิปปุกอะแฮวัวลิมคนมนี้อเป็นลูกตระกูมมาแต่ก่อนนี่เขาใช้คํำนี้นะครับก็ดังทราบแล้วอะแฮวัวลิมลูกแฮวัวตุ้แท้แฮวัวเป็นแฝกเก่าแก่ดั้งเดิมของโจโฉอ นี่ก็จะวเป็นลูกกระกูนนี่เป็นลูกกระกูนมาแต่ก่อนและอันหนึ่งก็เป็นบุตรเขยเพื่เจ้าวีอ๋องนี่โอ้เฮาลินี่อั oh, Harry, ดลูกสาวโจโฉเนี่ยก็เป็นบุตเคยตัโวโฉเป็นบุตรเคยเพื่อเจ้าวีอ๋องเหมือนต้นไม้ทองหม่แก้วแต่หาเคยทำการใหญ่ไม่ใหญ่แต่สาแต่เชื้อแต่สระูนเท่านั้น ไม่เคยทําการใหญ่หมัตเนี่ยก็ตกเข้ามาอยู่ในที่ร้อมของผมงเบ้นแค่นี้เราจะคิดอ่านประการใดถ้าเราไม่เคยทำมันใดเลยก็จะมีผิดต่อมูลหลวงนี่ก็ราเขาดุเชื้อรุกสกุลคุณนันทั้งานปวงนั่นก็จริงว่าแหวหลิมเชื้อสายพระเจ้าเจยอยทำให้เสียทีแก่ขนเบ้นเลยตัวท่านถึงเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยก็จะไม่พ้นผิด คอยขันยกฐานไปช่วยแก่เอาแหววหัวลิ้นออกมาให้ได้เอาตัวส่งไปเมือวงก็จะเป็นความชอบของท่านมาจุนจ้าเมืองลำอ่างเออขอผ่านมาจุนเจ้าเมือเทียซุยด้ฟังแ้วก็เห็นชอบ้ยนี่หละก็พอดีขนานั้นาหารที่ขได้เก็บปลอมไปถึงเขาคนนึงก็เข้าไปหามาจุนแก่งเนื้อความมนบอกกับซืเหลียง หรือก็แจ้งไม่คลามง ก, กันกนั้นคงเบ่งร้องมรอม อ, อันได้แล้วแพลวัวลิ้นตกอยู่ในที่ร้องให้ข่านน้ำกำลังกองทัพไปช่วยและก่อนต้อส่องให้เป็นสมคญครั้งเวลาเชา้าทหารกงเบ่งอีกชุดนึงเนี่ยก็ไปทีงอีกก็เข้าไปหามาตุ่มจ้เมือทนนียแล้วก็แจ้งว่าบัด น, นี้เจ้าเมือันโงคือว่าที่เหลียงะ่ะก็ยกไปช่วย ทำแพ่ว้ลิแล้วบอกไว้กันจะมึงเพียนซุยคืมาจุนเนี่ยเร่งยกฐานตามไปช่วยดิเถอะมาจุนก็ จ, จัดแจงทหารจะยกออกจากเมืองคือจะเป็นไปตามอุบายละ่ะคือคงไม่ส่งคนมานี่ยเป็นของระรอกนะเพื่อยืนยันทีนี้ถ้ามาจุนยกฐานออกจากเมืองหมดก็จะต้องถูกกองทัพผลไม่อีกกองนึงสวนลอยเขา้ายึดเขา้เขาทิงเมืองเพียนซุย เหมือนดังที่ขี้เหร่เมองก็ทำมาแล้วแต่ในเมือนนี้มีคนดีมีฝีมมีปัญญามุคนึงจะเป็นบุคคลสำคัญต่อไปทีเดียวเขาผู้ดีเพะเอื้อชื่อเขาท่านผูความสามกอคงจำได้ดีเกียงอุยเกียงอุยอตับใหญ่นะครับเกียงอุยตามความวิบั่าอย่างนี้ วาเกียนอีซึ่งเป็นมายสารอยู่ในมเพียงซุยอยู่กมาจุนเนี่ยเป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลมต่น้อยมากก็ได้เรียนวิชาชำ ม, มาในกรมสงคราและเป็นผู้มีกตัญญูตบิดามารดาีลักษณะของคนดี ม, มีมีปัญญาี่้มีคุณธรรมในการมิ่งจำกล่าวนี่มีกตัญญูตบิดามารดา อาือนทั้งปืนนะเขายกมัดถือยำเกรงกาถึงเก่เกงเกงีเขากล่าวไว้ตนี้่อีเนี่้าหมาเก่ ง, กกงก จ, จะยกทหารไปตามที่มีทหารมารายงานเป็นสองขบวนขบวนแรกว่าเป็นทหารของแถวลิมาบอกให้ไปช่วยขบวนที่สองอว่าเป็นทหารของซุยเียงมาบอกว่าซุยเลี้ยงไปาแล้ว แต่บิดย่ไปเนี่ยมันก็มากเกิเชื่อเป็นสองสองซับสองซอนอะไรอย่างนี้แต่เบี้ยอื่เบี้ยอื่เห็นมาจนจะย่ฐานไปเนี่ยก็ห้ามว่าคงเบ้งมีสติปัญญาอยู่ซึ่งว่าทหานแห่หัวลิ้นถือหนังสือมานั่นนะทับเจอยังไม่เห็นด้วยเพราะคงเบ้งร้องเรียงลำอ่านได้เป็นสา ม, มารถน่ะ มาให้แหวกวงร้อมมาอย่างไรและคนเาลนี้แต่ก่อนมาก็มีไต่ปราดอดื่อเสียงจะบอกว่าฟันฝ่าแหวกวงร้อมกองพัพเมืองเสกวนถือหนังสือมาให้ขานไดเนี่ยข้าแเจ้าจยังไม่เห็นเนี่ยสมกินมี่ไง น, ะนีเกียรอุย้ยเขาดูที่บุคคนก่อนอืมว่ากันี่ยไงอะฟันฝ่าแหวกวงร้อมออกมาแจ้งข่าวอย่างนี้ ในฐานะนี้ก็เห็นวทหารที่มีชื่อเสงมีความสามารถไปด้านความกดและจเชื่อได้อย่างไรว่ามีความสามารถอย่างนั้นเก่งมพูดต่อไปว่าซึ่งทหารมาบอกอีกคนนึงว่าเจ้ามืองลำอันคือฟื้นเหลียงอย่างโย่ไปแล้วนั่นน่ะก็เป็นแต่มาบอกแต่ไม่มีสลักสําคัญอันไดมาแจ้งเลยไม่มีหลากฐานได้ยืนยันเลยข้าพเจ้าเห็นว่า เป็นคนของของเบ้งแปล้งลวงแค่เรายกไปและคนเม้งจะต้องให้ทหารมาซุ่มไว้เมื่อท่านยกทหารทั้งปวงออกจากเมืองกองทหารซุ่มของ ข, อ ง, ของเบ้งก็จะเข้ามาทิ้งเอาเมืองของเราในภายหลังเป็นมั่นคงนี่เกียรอีเกียร์อีผู้ไม่เคยปรากฏขี้เสในสามโอ๊คมาก่อนเลยตื่มาปรากฏอยูย่นี่ ถึงถึงปัญญาของเบงเราต้องกล่าวว่าเพียงอุยนิบอ่านออกหมดเลยเมื่อก็เป็นความจริงน่ะเอาเพียงอุยพูกับมาติมเจนี้มาติมจะเชื่อหรือไม่มาตุมเด็กฝันนี้ก็ต้องคิดทีเดียวนายที่สุดก็เห็นชอบด้วยตามที่เพียนอุยพูดจากจีแจงก็ถอนใจใหญ่ทีเดียวก็จริงว่า ึ่งท่านมาเตือนสติเราไว้นี้ชอบนะถ้าหาไม่เราก็จะเสียทีแพ้แกความคิดองเบ่งเสียเงินแกคมเบ่งโดยง่ายเป็นแพ้กิ่งอุ้ยก็าราอแล้วก็พูดว่าซึ่งฐานคนเบ่งทำกล ม, มาทานนี้เห็นจะยกฐานมาซุ่มไว้แล้วเป็นมั่นคงข้าพเจ้าจะขอทหารแต่สามพันยกอ้อมไปตามทางน้อย สกัดต้นทานของเบงไว้อยู่ขั้นหลังนี่ท่านก็จึงยกฐานออกจากเมืองไปริยะทางร้อยห้สิเส้นแล้วก็ยกกองทัพไปตั้งรออยู่ถเห็นก็ไปเจอจุดเพลิงที่เป็นสําคัญแล้วเพลิงกองทัพใหญ่ ย, ยกมาแล้กกให้ขับทหารเข้าร้อมจับตัวองไม่เห็นจงได้มีเกียรวีวางแผนให้มาตีห น, นึ่งเยียมาที่งฟังก็เห็นชอบด้วยเกย์าสามานให้เกียร์ยกไป และมาจึ่นจาเมืองเองนะก็โยกฐานออกจากเมืองตามไปภายหลังตอนนี้เปิดฉางพฤติการของเกียนติอีเพียงอืมสิบกว่าบัรพชีตันเนี้ยในกลับเพราะพอเห็นความสามารถต่อปปัญญาเกียนอวีนมีมีแหละได้เหตุนเนี้ยที่ผมเด้งกล่าวว่าเอ่อเราทำการมือล้มอันเด็กเป ร, รียบแล้วจับตัวแฮรวลินไปแล้วแต่ทหารที่เราใช้ ถึงถือไปมืเพียงซุยยังไม่กลับมาจะเป็นประการใดก็ไม่แจ้งจำเราจะต้องยกกองทับไปปีเอาเมืองเพียงซุยให้ได้ขอไเบ้เองเพียงแต่เห็นว่าท า, ารของตนไม่กลับมานะมันไม่ใช่ทหารคนเดียว2คนชีวิตเดียวสองชีวิตผมเองเก็ อ, าอ่านถึงการรู้ผัวไว้ต้องเกิดเหตุใหญ่พราแผนรบาที่ต น, นวางลงไปแล้วนี่มันต้องสมิดผมเหมือนดังซีเหลี่ยง การนี้ทำไมไม่สำเร็จเนี่ยนี่ขอเบ่งจริงตัวเองเราจำเราจะต้องยกไปไปทัพไปตีอเมริกาเหนือให้ได้ไม่เห็นเนีแล้วก็เป็นจริงเลยไม่ใช่เรื่องเล็กทีเดียวเกียร์อุยทหารของมือเทียนซุ ย, ยทหารของมาสจุ้งอ่านแผนองเบ่งเด็กโด่เลยแล้วก็วางแผนที่จะจับตัวของเบ่งวย็กดังนี้แล้วที่นี่กล่าวทางฝ่ายจูรุ่งนฮะึ จู่น่องุ่ขงเบ้งให้คุณหมานมาซุ่มอยู่ที่เชิงเขานอกเมืองเทียนยซุยเนี่ยที่น่อมาซุ่มคออยู่แล้วถ้าเป็นไปตามแผนหมายความว่าอันคนที่หนึ่ง ม, มาแจ้งว่าแฮววอร์ม่ไปช่วยฐานคนที่สองมาบอกคนทัพอีกว่าซุเหลียงจะมือหันตรงก็ยกไปช่วยแล้วถ้ามาตุงเหลือหลวงกลัเป็นตามมันคือยกทัพออกจากเมืองเทียนยซุยเนี่ยก็ดู่น่อมีไง จะเรบุกตะลุยเข้า เ, าเมืองก็ง่ายนะแต่บัด น, นี้จุโร่มาซุ่มอยู่มาคอยอยู่มาดูอยู่เนี่ยเอาละจูโร่รู้ว่ามาตินยกออกจากเมืองแล้วก็มีความยินดีแต่จูโร่ไม่รู้บอกนะว่าเป็นอูบาติเกียงอูวานแผนวัดก็เห็นแต่มาตินยกทัพออกจากเมืองนี่จูโรยินดีทีเดียวใครถานไปบอกเปียวเอ็กและโจอีอ้ถึงยกตามาทิรันนะ ให้ออกสกัดทางคอยรบมาจุนจับตัวมาจุนโดนจรงได้ส่วนตัวจิโร่เหนนั้นโยกฐารหพันจะเข้าไปชิงอำนาจเงินเพียนซุยละติโร่โยกฐานเข้าไปถิงเชิงกำแพงเงินเฟียนซุยก็ร้องก็้าไปทีเดียวว่าเราชื่อจิโร่เป็นชาวเงินเสียงสันยกมาเองนนะ่ะแพ้แต่อมหมายของเราแล้วเองดูได้ไ ให้เรเปิดประตูเมืองให้เราเข้าไปได้เลยดีอย่าให้ทหานตั้งเยอได้รับความยากลำบากเลยจูน่งก็ไปร้องอย่างนี้แต่ก็เปิดปะระตูเมืองฝ่ายทหารที่ไม่ในมีองยินดันั้นก็ร้องแล้วก็ตะโกนตอบมาว่าจูนงท่านนึ่งเดประจาทานงไปเลยท่านแหละแพ้แต่ความคิดของเกียน์อุยแล้วยังไม่รู้ตัวอีกเราจูน่งในความนั้นก็โกรธ ขับทหารไดเข้าหัดเอาเมืองเทียนซีเป็นสา ม, มารถทีเดียวก็เดินแสงโผลงลุกโผล่ขึ้นแล้วก็มีทหารหัวร้องร้อมเข้ามาทั้งสี่ด้านและโวเกียงอีนั่นแหละขี่ม้าถือทวนพวกตะีตรงเข้ามาทีเดียวร้องประกาศชื่อแทเหมือนกันว่าเร า, DNA, ช, ามเมชื่อเกียงอีชาวเมืองเทียนซีชูลองู่ลงชาวเมืองเียฝัน จูลลงเห็นนั่นก็กวกมาเขารบ ก, กับเพียงอุยจิลล่งกับเพียงอุยทหารฝูกนี้กปรากดชื่อสูรบกับเด็กเก้าเพลงจูลล่งเนี่ยยอดฝมืออยู่แล้วรบ ก, กับเวรที่ตะพุงมัมกคร่คราจนเข่าชราบเบบนี่ยมีหรือที่จิลล่งจะไม่รู้ว่าเกียงอุยเนี่ยมีกำลังมีฝีมือเข้มแข็งอยู่จิลล่งต้องคิดในทีเดียว อยู่ลงประท่าเพลงทูนกับใครนี่ไม่เคยทช้ความคิดแต่มาประท่ากับฐานลุ่มผู้นี้แล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเลงนาำด้วยคุณได้ยินมันประกาศว่าชื่อเตียนอุยชะมือเตียนซยเท่านี้เมื่อประท่าได้กล้าเพลงไม่ต้องคิดทีเดีวว่านีมือเตียนซุยเนี่ยแต่ก่อนมาก็ไม่ได้สั้งเกลดปรากฏว่าจะมีฐานเอกหรือมีดีชะนนี้เลยอยู่ลงต้องคิดเลยทีเดียวและขณะนั้นมาถึง ก็ขับหลนล้อมรบเข้ามาคือมาที่ อ, ออกจากเมืองไปไม่ได้ไปเส่อเสือสาส า, สาตามที่เขาลวงนี่ลวงไปเพื่อลวงเขาอะ่ะก็ือนกลับมาเลยทีเดียวเขา้ารบล้อมจูโล่งเขาอีกจูงล่งยอดทหานเสือแบบนี้กลายเปู้ถูกล้อมซะอีกแล้วจูโล่งต้อมีย่ําแย่จูโล่งก็รบอีกเลยสึ้นกาลังลงนายถึงก็วกมาปันเปล่าจากที่รมไปได้ จูล่องเอาตัรอบไปได้หรอแต่เราก็จะต้องเห็นว่าทหารอีจนอนําวนหลยพันมันะ่ะจะเป็นยังไงเอาละก็ร้องป่ายกันไปตามเพลงละจู่ล่องออกจากที่ร้องไปเกียร์นีนั้นก็ควบมาไล่ไป ต, ติดตามไปเร่ยไปถึงทางที่เดียวเอ็กกับเจ อ, อีประกาศอยู่เจูล่งก็หนีไปทางนี้เดียลเอ็กกับเจ อ, อีเห็นเนนั้นก็วกมาออกมาช่วยจูล่ง เกียร์มีเห็นดังนั้นเจะสู้เขากระไรได้เกียร์มีก็จีบควบมากลับมาขณะนั้นก็พอดีขนเบ่งมาถึงจิลล่งก็เข้าไปหาขนเบ่งแบ่งเ น, นื้อความทั้งสิ้นทั้งวอยคนเบ่งทราบทุกประการะานะก็สรุปใจความแบบแผนการทพิพันหกลวงมหาอุปราชขเนเบ่งเห็นเฉยฉวนวางแผนการมาอย่งดีปฏิจะรวมอวุนเทียนสุยนี่จะไปโดยง่ายนะมันไม่ได้ง่ายเลแล้ว แผนตั้นผู้เขาซ้อนคนยอกย้อนเอาแม้แต่ข้าพเจ้าเองก็จ ะ, จะยับเยินกลับมาจากนี้ต้องประท้ากับทหารหนุนปีนี้ดีทีหนึ่ ง, นงคนเบ่งได้ฟังความติดอยู่โลกว่าฟัทางที้ก็ตกใจทีเดียวก็จริงว่าเจ้าทหารคนนึงเชื่อใดอเหตุไรที่มีคะติดปัญญานะอนงค์รู้เท่าทันความคิดเราได้ ผมเบ่งยอมรับเนนะลยนหมล่ะมีสติปัญญานะรื่องรู้เท่าทันความคิดเราได้ชาวเมืองลำอันติดไปมาเข้าเปรียบกับผมเบ่งเนี่ยก็บอกให้ฟังคิดแกงและฟังว่าคนนี้ชื่อเกียงอุยเป็นคนแฝกเกียงชาวเมืองเทียนซุยมี ปัญญาลัแหลมรู้การสงครามเป็นอันมากจิรงวรงกฤษว่าเกียรีคนนี้ทุ่มทีจะรบพุ่มเหมือนกับประหลาดกว่คนตั้งเตือนและก็รำเพลงรวงว่นี่แหละล้วลจิรวเนี่ยก็รำเพลงทวนตามแบบฉบับของเกีย์อุยนี่แหละให้ผอเร่งดูบอกเกียร์อุยนี่มีเพลงทวนอย่างนี้รำอย่างนี้ผหเ่เห็นดังนั้น ก็จินว่าเอเราไม่ได้สำคัญเลยว่าในเมืองเทียนซุยเนี่ยจะมีฐานเอกวิมุขแข่งขันปานนี้ผมไม่กล่าวแบบนี้แล้วก็ให้หีบยกกองทัพเข้าไปคิดเมืองเทียนซุย จูเร่งไปแล้วเปลียเออี J e ออกมาช่วยจูเร่องลยวเนี่ยก็ขวมากลับมากลับมาก็มาแต่งกักมาจู่ว่าจูเร่งเคลีร์ีกเราครั้งเนี่ยจะต้องเอาเนื้อความทั้งสิ้ไปบอกกขงบ่งอง่นอง น, นะจนยอ า, านมือเราเนี่ยมีน้อยก็จะต้องอรีบยกอเขอ้ามาตี เมือราเป็นแม่จำควรที่เราจะแยกฐานออกสุ่มอยู่มอกเมืองขาเจ้าจะอยู่ข้างที่ตะวันออกให้ลิงเขียนอินสซงคุ้มานซุ่มรักษายอยู่ในมือส่วนเตัวข้างจงคุ้มานได้ตั้งสุ่มอยู่ข้างที่ใต้ถ้าผมไม่ยกมาเห็นโทนสัญญาแล้วให้รอมเข้ามารบจรับพวกผมให้ได้มีเก่งมี นาแผนการในนี้เลยเพราะผเบงจะต้องรีบมาแต่คิดหนึ่งเทียมซวยแน่ละ่ะมีความประมากอยู่เดี๋ยววัฏาน้อยเนี่ยเป็นเมืองเล็กนแต่ถ้านํากองออกไปซุ่้ไว้กระบอกสองวิ่งที่เมืองอีกหนึ่งเนี่ยก็จะล้อมกองทัพของเบ่งได้จะกลับตัวของเบ่งได้เกงมีวางแผนในเช่นี้เ ม, มื่อกินใจเมืองเด็ฟังก็เห็นด้วยเฉือถือจะิปัยญาเทียมวยทุกประการนะซึ่งเมืนเป็นความจริงมาหมดแล้วนะ มาถึงก็จัดการตามทำเพียงอุยทุกประกันก็คือให้กำมากานเพียงอุยไปซุ่อยู่กอง น, นิ่ตัวเองก็เินจมไปซุ่มอยู่กอง น, นึ่ที่รักษาเมืองก็ยืนเขียนอีมส่งอีงงอ ก, กองนึงนี่ถ้ากองทัพองเบ่งเข้ามากบจะมิกล้อมเข้ามาหมดขยี้เอาละทีนี้ฝ่ายขงเบ่ยกมาถึงเมืองเพียงอุ้ยนะเป็นเวลาตองคืนแล้วก็จิงดังที่เพียงอุ้ยว่าทีเดียว ผมไม่เห็นว่าทหาในเมืองในเมืองเพียนซุยเนี่ยมีน้อยถ้าเป็นทีอยู่ก็ขับทหารแค่ก็าวตรงปีในเวลาตอนคืนนั่นเลยทีเดียวทหารทั้งพวงแลเข้าไปในเมืองเห็นปักธงเทียวอยู่เป็นอันมากนี่เอ๊ะเขามีการป้องกันเข้มแข็งเรามดระวังรักษาพอดูขึงขังก็ไม่กล้าหากักโหมก็ไปเหมือนกันพอเวลา2 อ, อยามเห็นแสงเลงิง โงงขึ้นจับพองฟ้าห่าทิตะวันออกแล้วก็ยินเสียงทหารโห่ร้องร้องรบเข้ามาทันทีนั่นเลยทหารในเมืองรู้ก็ได้ยินเสียงมารอกองกองรับเปนวันวันวันไว้ยุ่นนี้แสดงว่าในม เ, ามมเมืองเขาปรู้ตัวหมดเบืเหนือยดังนั้นก็รู้ว่าบัดีค่าสุด น, นรู้ตัววางแผนล้อมตัวไว้แล้วจนก็ตกใจคนก็เห็นตกใจพาตัวหินเตียวเปาลยานนวง พวกมาปันป่าออกจากที่ร้อมเลยไม่ยอมอยู่รบให้ถูกร้อมหรอันฝาออกไปทางที่ตะ ว, วันออกก็เห็นเตียงปุ๋ยคุณทาหารออกมาสกัดทางและจุดเทอร์เรสกันนั่นแหะผมเบ่งก็ตกใจพ า, าหานหนีรัดไปและสนาดนีผมเบ่งก็เรียกหาทหารเฉลยอ่ะทหารเงินหันสง่ะมาสอบฐานทีเดียว啊 ยังอีกคนนีม้มีสติปัญญาหลักแหลนนะมีบามันบาเขาอยู่ที่ไหนตำบลใดทําำไงเราจะได้ตัวมาไว้ด้วยเราที่นี่ประกาศนะครับในกรณีถึง อ, อยากจะกลับเรีขอตั้งฟังให้ดีใครเต็งกว่าใครดีกว่าใครวิเศษกว่าใครปัญญาเหนือตนหรืเท่าเทียมตนก็ตามเถอะ เตยแท้จริงแล้วโอ๊กหลวงไม่คิดล้างผลาญไม่คิดฆ่าคนที่เก่งกว่าดีกว่ากล่าโอ๊กหลวงพร้อมที่จะหรือ ม, มีความปรารถนาเป็นที่ยิ่งที่จะได้ตัวบุคลมูน้นั้นมาไว้กับตงเพื่องานเสริมสรานบา ร, รมีตัวไม่คิดลา้างผลาญฆ่าผันคนที่เก่งกว่าดีกว่ากล่าเนี่ยคไม่ เ, เรหยกร้ามาสอบถามดิจะดําเนินอุบายเอาตัวเององนั่นแหละ ก็จริง ถ, ถามว่าพ่อแม่อยู่ที่ไหนทำยังไงจะได้ตัวมาทหารก็บอกว่าบิดาเอีนอน่ะตายแล้วก็ยังแต่มารดาผู้เดียวอยู่ณเมืองเอ ก, กวณนีน้ผมได้พอได้ทราบบานี้ก็เรียกขวีย์เข้ามาทีเดียวเรียกขวียนเข้ามาแล้วก็สั่งว่าท่าน จ, นจาางยกฐานไปตั้งประชิดรอบ ม, มือเอ ก, กวณไว ถ้าเียงมือยกไปเนืองเอกวนหรือออกรถกยทำแพ้ออกตั้งซุ้มหรือหมอกเมืองก่อให้เกงมีเข้าไปในเมืองแล้วถ้าเกินืกลับออกมาจากเมืองแล้วก็ให้ยกฐานเข้าร้อมให้ยกฐานเข้าทิ้งมือเอกวนและแต่งตนในฐานปลอมเป็นชาวเมืองมาไทายเมืองเทียนซีนี่ผเบ่งวางแผนให้อุยเห็นเท่านี้ให้อุยเห็นก็ทำเต็มี่ คือหนึ่งไปอเมืองไว้ก่อนล้อมเมืองเอกวลที่มารดาของเกียงอุยอยู่ที่เมืองอนี้ถ้าเจอว่าการเอกวลขวาญออกไปเกียงอุยรื่องเมืองเอกวลถูกล้อมจะต้องเป็นห่วงมารดาเป็นที่ยิ่งเขาจะต้องยกทัพไปช่วยมารดาให้เหรียญสู้รบพอประมาณทําเป็นแพ้ขอยหนีแต่ไปซุ่มอยู่ปล่อยเกียงอุยเข้าไปในเมืองพอเกียงอุยเข้าไปในเมืองได้เราก็จะต้องกลับออกมาจะต้องมาอย่งเมืองเทียนซุยดิ พอเกียงอว ก, กลับออกมาแล้วก็ให้วิเยนยกเข้าคเอ็กกลุให้ได้พอได้แล้วก็แต่งกลมุบายฐานปอนเป็นชาวเมืองให้เล้วก็นปอนเตออกมา ก, กับเขาเหล่านียแผนนี้เหมาะให้เหเยนได้กระทาแต่ไม่คี้แจงกระการใดมากกว่านี้วิเยนก็ทำมารางขุนเบงยกฐานไปขุนเบงก็ถามฐาน ม, มือกันสันคือฐานเฉลย นั้นต่อไปอีก ว, ว่าในแดนนี้เนี่ยมีบ้านใดตำบลใดเป็นที่สําคัญบักทหารผู้นั้นก็บอกว่าเมืองเสียงเทิงเป็นเมืองที่มีกระเบียนอาหารมักงั่งบริบูรณแม้แต่เมืองเทียนซุยเนี่ยก็อาศัยกระบินอาหารจากเ ม, มืองเง ส, ยเยยสาางเียงเทิงเป็นกําลังแม่หมากราดได้เมืองเสียงเทิงแล้ว เมืองเพียงซุยก็จะขัสบสนตะเบียน อ, อาหารรวมเองผมได้นนในฝ่ายนั้นก็ดีใจก็อกมอบหมายให้จูล่งทหารคู่ใจยกไปตีเมืองเพียเทนแลน้วผมเองก็ได้ถอยพยับืนไปตั้งค่ายมันอยู่หางใกลจากเมืองเพียงซุยเนี่ยถึงพันห้เซนเกรจะถูกร้องก็อีกอ่ะฝ่ายทหารชาวเมืองเนี่ย ก็เอาความเนี่ยไปบอกแกมาดุจจมืว่าบันนี้กองทัพของเบงก่อะถอยเลือออกไปแล้วแล้วแยกหารเป็นสามกองกองนึ่งส่งไปไปตีเมืองเอกวอนอ่าอีกองนึ่งส่งไปไปตีเมืองเซียงเทงมีรายงานจากกล่าวทหานกองสอดแนมบอกกล่าวมาเช่นนี้แยกหานเป็นสามกองกองนึงก็กองของผมไเบงก์เองอิที่ถอยไปตั้งอยู่ แล้วก็ส่งอุย้ยเอียนเนี่ยไปเอกวนส่งปนเนี่ยไปเพ่งเพ่งน่ะแต่รายงานมี่ก็ไม่ได้จัดแจงถงตู้บคคด้วยแมับไปรอแต่นี่และเท่นี้เพียงพอแล้วเกียรอุยเกียรอุยด้วยความนี้ก็ตกใจทีเดียวเพรต้องตกใจดีมารดาเต็ ม, มงเอกวนนี่เกียร์อุว่าแ่ม้าจิ้งจอกมีว่าบาดนี้น่ะขนเบ่งยกทหารไปปีหนึ่งเอกวน มารดาเข้าไปเจอดูในเมืองนั้นหรือจะเป็นอันตรายเข้าไปเจ้าจะขอลาท่านแขอทานพระกองหนี้ยกไปช่วยป้องกันมารดากับาไปเจ้าเมืองเอ็กวอมาจุดด้วควันดังนั้นก็เกรงทหารให้สามพันเกี่ยวอุ้ยยกไปเมืองเอ็กวอแล้วก็เลียงเขียนยกอาคมหลานสามพันนี้กันยกไปช่วยเมืองเสียงเทง เกียร์ยได้ฐานสามันแล้วกดยกเป็นมินเ อ, เอ็กวนละก็เห็นกองทับผลบิระกัดทางอยู่คืออุย้ยเียนเห็นอุย้ยเอียนคุมฐานะกัดทางอยู่นุ่ห่นตามําสาั่งพี่หลงของบิงบอกกล่าวแม่มาแล้วน่ก็ขับมาเขารบเีเดียวอุเยเอียนคบมาเขารบกับเกียง์ุย ไม่กล้าเพลงอีเอียงก็ทําเป็นแพ้ขวบมาพาฐานหนีกเกียงอยนั่นก็ไม่ไติดตามเขาจ่ายเต็มอยู่ในเมืองลูกจ่ายเต็มอยู่ที่มารดาเนีเ่ยเกียงก็ยกฐานเข้าไปในเมือจตัดแกงฐานขึ้นก็สามารถติดเชิงตวนว่าเป็นมั่นคงนี่กเกียงอุได้เข้าไปรักษามเมืองเอกกวนเลยแล้ว ท, ที่ฝ่ายเลี้ยงเขียนที่ยกไปช่วยเมืองเสียงเท่งอ่ะ เลี้เขียนก็นไปถึงเมืองเสียงเพ็งเห็นจู่่องตังข่าไประจ ต, ติดเมืองอยู่จู่ล่องนั้นก็ไม่ได้รถด้วยละ่ะเปิดทางให้เลี้งเขียนนาพับสามพันมังบานสามพันเข้าไปตั้งอยู่ในเมืองเสียงเพ็งเอาคราวนี้เราย้อนความไปกล่าวทางขงเบอีกนิหน่งคือขณะที่ของเบน ส่งอุเอียไปไปทางเมืองเอเขวลและส่งจิลลุ่นไปยังเมืองสซงเท่นนั่น่ะเมื่อจิลลอียนยกทหารไปแล้วเนี่ยผมองกวางแผนต่อไปคิดกลัวบายให้ทหารไปเอาตัวแฮว์ิที่ถูกขังอยู่ที่เกวียนหรือเกวนมีตอนี่แฮร์ิ่ถูกขังอย่าง ยังสงสารแต่ยืนิกลงคนโทษที่บัุอยู่บนกุยนเอาไปเอาตัวมาผมเบเหาตัวแหววิลมาทีเดียวแล้วก็พูดว่าท่านถึงที่ตายแล้วแต่เราก็รันรอไว้ช้านานอย่างนี้ได้ค่าเสียท่านจะคิดอ่านประการใดนี่ผเบ่งว่าอย่างนี้ม่ก็จีนกัเป็นรูกันถูกจับมันก็ต้อตาย แล้วจะถูกจำเวาคนไม่มาเลยยายดีเลยเลยคือไม่ได้เข้าไปประทับประคองแก่มัดให้ลุกขึ้นมามนั่งนาที่สาหมึกกันที่ไม่มีนี่พอองเตนส่งตัวให้คุณเบงกอสานยาไปใส่โกงขังเลยอ่ะและบัดนี้เรียกออกมาแล้วพูดอย่างนี้แฮร์วิเวนเม่อฟังก็ตกใจท่านคุณมาผู้ยายแม่รัพผู้มีชาติเชื่อะกลสูงในผู้นี้ ก็คำนับกราบลงบดีงเดียวกลิ่นยศหมดรักดีละเราชีวิตรอดขาดเดียวละคำนับกราบลงกับพี่ออดวอลขอชีวิตผมเบ่งก็คิดว่าเกี้ยงอุยทหารของมาจรินส่งไปอยู่รถสามนเอ็กเวิลบาทเนี่ยให้ลิสี่มาว่าให้เอาท่านเรียงไว้แล้วเกี้ยงอุย ก, ก็สมัครมาอยู่ด้วย ภาสาเราไปพาเกียงอุยมาเนี่ยจะได้หรือไี่ได้ผมไม่ไวาอย่างนี้เอาละเขาไปแต่งอุบายโกหกพวกเราตามเรื่องนี้แหละฮึแคร์วิญมฟังก็จิว่าไม่เป็นเช่นนี้เนี่ยมหาอุปราชอย่าวิโตกเลยเขาพจะจะไปชวนเกียงอุยมาอยู่ได้ต่างแต่เป็นได้เองผมก็เชื่อเรืง่ง่ายอย่างนั้นแหละ คือจัดเตงเสื้อผ่าอย่างดีมาหนึ่งตัวมอบให้แกแฮวร์รินรีบไปมืงเอ็วนเลยแฮว์ริ่งรัวพ้นมือคงเบ่งเบ่งง่ายเลยอย่างนี้เนี่ยขึ้นก็มีความยินดีนะเห็นว่าบัดนี้พนนี่มีคงเบ่งแล้วก็วี่งขวบมาไปทีเดียวไปถึงกลางทาง กไปพบทหารที่ยอียนแต่เป็นชาวเมืองเอ็กขวนทหารของอุยเียนนะแต่งตัวเป็นชาวเมืองเอ็กขวนหนีมาประมาณสิบคนทหาเรเหล่านั้นก็บอกแกแฮหัวหลินว่ากนเอชมืข้เข้าไปอยู่ในผนเล่งแล้วบัด น, นี้กีนเอได้รับอยเอียนเข้าไปอยู่ในเมืองเอ็กข ว, วัแล้วเมื่อุเอียนน่ะก็ทำอยากชายรัตน ชาวบ้านชาวเมือได้รับความเดือดร้อนพวกกบาเจ้าทั้งตัวเนี่ยกับสมัครพระพวกเราเนี่อยู่ไม่ได้กินพลากันหนีออกจากเมืองมาจะไปเมืองเฟียงเพิงมีฐานแบบนี้แก่นไปอย่างนี้มีเป็นฐานของอุยเหรเองฐานของเบ่งเองอ่ะมีคนโดนเรี ย, ย, ยกลงกระทําบวางไปอย่างนี้กล่าวความนี้ให้เจ้แฮร์ริ่แฮร์ิก็ถามว่ารบัสนี้ผู้ใดอยู่รักษาเ ม, มืองเทียนเซีย ก็บอกว่ามาจุงเมืองเ่ายังรเมืองเทซยอยู่ลนได้ฟนั้นก็วบมากัอูก็มาพบกับทหารกองของอูเอียอีกกนีก็ทการหลบหนีจากเมืองมาแหละหอข้าวหอบของอมู่กลนหวานุวายกรดกมาแวก็เข้าไปถามไถ่ความกเรานียก็บอกเรื่องความแก่แ์ิ เหมือนฐานพวกกองทุประการอีกแหละเออนี่คือได้ข่าวต้องไม้ข่าวสองครั้งสามครั้งให้มันแน่นอนอะ่ะข่าวกว่าเทียงอีสมัดกระโคมเบ่งรับอีเฉียงเ้ไปอยู่แล้วอะ่ะอีเฉียงก็ทํายาบช้าอยู่ไม่ได้คนนี้มันเนี่ยแฮรรี่เม็กฟางอย่างนี้เขารตบตกใจนะรีบกลับมามาถึงวงเทียนซุยทหามในเมืองเนี่ยเห็น แ, แฮรหรี่มานี่ก็ดีใจดิ ก็เปิดประตูรับเข้าไปนินเงี้ยมาจุนเจ้าเมืองก็ออกมาทำนับเชิญแพวิลลิ่งเข้าไปในที่อยู่แพวิลิ่งก็รอ้องเรื้ความทีเดียวอะ่ะว่าบาัด e เนี้ยเกี้ยงอุยนี้มันโทรยบสมัตไปเข้าเป็นพวกคงเบ้งซะแล้วประเด่นความทีนอยู่ตั้งพวงที่ตนรู้มาจากกลางทางก็บอกแกมาจุนทุกประการ แฮรลล์วินเป็นผู้บอกข่าวนี้เองแฮรลล์วินผู้หนีมาได้แต่จากเงี้มือขเบงเอาความเป็นีรมาบอกแกมาจึ้มเนี่ยมาจุ้มในตอนก็ทอดใจใหญ่เลยทีเดียวก็ถือว่าอันเตียงวีคนนี้เนี่ยแต่ก่อนมาก็ชู้สัตไม่เห็นเลยว่าจะเป็นขบคททิดเอาใจออกขาวแบบนี้เลหล่งซีนายถามดูดินก็ว่าแกมาจุ้ม่ะ ขึ้เกียร์อีจะไปเข้าในของเม่งโดยกิงนั้นน่ะข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยมีร้ายกว่ตามข้าพเจ้าว่าเพียร์อวีอาจจะคิดอลอุบายลวงของเบ่งหรอกมาติเมเด็ดฟันนี่นก็จริงว่าที่ธันวาเนี่เราไม่เห็นด้วยเกียร์อวีเป็นคําบอกไปเข้าในของเม่งเป็นมั่นคงแล้วจึงยอมรับอีเอียงเข้าไปในเนื้อเอกขวนปรัฐจะดอนทั้งหมดจะรับความเดือดร้อนทึงบ้านทิ้งเมือง เียวนีเอาตัวรอดชีวิตรอดมาอย่างนี้แต่ว่าเกียงอยคิดเป็นคนอุมายกับประการายนั้นนม่เห็นด้วยเลยเกียงอยเนี่ยเป็นาบวนไปเข้าในของได้โดยแท้แล้ว คบค่บ่งก็ยกฐานเข้ามาถึงเชิงกันแงลงืองเทียนซุยแต่งฐานคนให้หน้าเหมือนเกียงอุยนี่คือพอทำได้ละหาคนที่อ่ปรงรักษณะเท่ากันคห้คืนกันเข้าหน่อยๆ ท, ที่สำคัญมันดีว่ากองครบค่ำนี่งางนี่ใช้ความมืดเป็นฉาก ใค้ตางหากคนนี้ขี่มา้าก็ไปร้องว่ะเชิญแหหัวหนออกมาเราจะผลธมาไปเชิญหน่อยเชิญแห้หัวหิมออกมาเชิญแห้วหัวหินออกมาเราจะผลธนาไปเชิหน่อยแห้วหัหินทำไมทับยายผู้มีเชื่อวินสกุลกับม้าจิ้งก็มายืนบนกาแพงเห็นเกียงอุยควบมา้ารําทวนเข้ามานะก็ตกใจเกียงอุยปลอมและก็ร้องขึ้นมา ที่เราเข้าไปของเบ่งเนี่ยก็เพราะแฮร์โวลินเหตุ hey, ไหนท่ามากลับพ่อยืนทำแบงนี้เอา้าเจ้าเก่งอีตรอมว่าอย่างนี้แฮร์โวลินต้องคิดว่าตัวเป็นทหารอยู่ในแทนบินนไม่ได้คิดถึงคุณพระเจ้าโจยยอยตัวคิดขบมนไปเข้าไปของเบ่งยังเจราจาเอาร้ายมาใส่เราว่ากลับกรองอีกเล่าแฮร์วลินไม่อย่างนี้ พ อ, อจบเกจบเกียงมีตออมเนียบอกว่าที่เราเข้าเด็กของเบ้งนี้เพราะแแฮหวยอีกนิดเกียงอุปออมนี่ก็ร้องตอบไปว่าท่านเค้นหรือฝไปถึงเราว่าให้มาสมัครเข้าเด็กของเบ้งเราสําคัญว่าจริงก็มานี่ได้แก้งเลยว่าท่านจะลวงเราแต่พอเอาตัวรอดพ้นความตายชะนี้และบัดนี้ของเบ้งก็ชุกเรียงให้เราเป็นคุณนานผู้ใหญ่และเรารับอาสามา ว่าแกตีเอาเมืองเพียงซุยให้แก ค, คนได่แกจงได้แล้วเกียร์อุยปลอมเนี่ยก็ขับทหารเขาโจมตีแหววหลิ่กลับมาจึ้มก็บรกบพุ่งตานทานเป็นสามาเกียร์อุยปลอมมันก็ถอยทหารกลับมาหาองเด็กเกียร์อุยปลอ ม, มนะองเด็กก็ยกหานไปนมเมือง น, นุ่มเมืองเอกขวนคือเมืองที่มารดาของเกียร์อุยอยู่ เล็เียงอุยนะไปรัฐามเมืองเอกัวนี้อยู่นี่แหละเป็นนว่าของบ้งมายโชมมาไปดงเอกัวนหนึ่งจัตัวกียตดฝ่ายเกงอุยตัวริ่านี้เียงอุยตัวริเนี่ยึ้ืนอยู่บเชิงเทินห็นของเบ้งใหทหารเขนเกวียนมันพุกเสบียงมาค่ายมีเตียนเป็นอันมาก ก็คุหารสามพันยกออกจากเมืองจะไปชิ้งสบวนนั่นแหละทหารที่คุมเกวียนมานั่นแนหะก็แกร้งทิ้งเกวียนทิ้งขบียนเชื่อวิ่งหนีไป้สิ่งเกวียนหนีแต่ขบวนอาหารเป็นนั่นมากก็ดีใจยกทหารกลับเข้าเมืองขณะที่จะกลับเข้าเมืองนี้แหละนี่แหละคือแผนรุงเรืองเสือออกจากถ้ำบลาเมันงฟองเอาของไปล่อ เกหลงหวานแผนนี้เอาสบายงยอะไรจะดีที่สุดละ่ะในการที่จะลอหลอกแม่ทับไมคกองเนี่ยก็บายนหนเียงอุ้ต้องออกจากเมืองมาเนี่ยขนาดจะกลับเข้าเมืองเนี่ยก็พบเตียวเอ็กะกัดพอยู่เตียวเอ ก, ก็วบมาเขารบ ก, กับเตยงอทีเดียวรบ ก, กันได้ก้าเพลงองตึงก็ยกหมุนเข้ามาถึงขับปานเรนิ่มลีเตียงอุ้ยก็มี